พุทมาโชวกันฟังมีพูดฟังไูพูดพู ด, พดสิ่งที่พูดเป็นสิ่งที่สัมผัสได้ไม่ใช่พูดให้คิดไม่ใช่พูดให้จำพวกเ ร, รทาทำทำในใจอยู่ปฏิบัติตามอยู่ทึงคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยสติกำลัง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 โดยพราการเจริญสติเนี่ยแบบการเคลื่อนไหวแบบขยันลูดตัวเนี่ยมันก็เข้าสนามลบเลยละ่ะตรากดว่าความชีพมันกฏทะลักเข้ามาความง่วงเหงาหอนอนกอดทะลักเข้ามาเวทนากอดทะลักเข้ามาสติก็คอย อ, อยู่ในสนามเลย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 อะไรต่างๆอยากให้มันฟรีโตอตอบทักท้วงมัน ท, ทั้งผิดทั้งถูกไม่เป็นไรทั้งสุขทั้งทุกข์ก็ไม่เป็นไรอะไรก็ได้สําหรับสติอะไรก็ได้ ไ, ไ, ดไม่ปฏิเสธเรากฎการต่างๆมันจะเกิดขึ้นยังไงไม่ไม่กลัวแต่ว่าเราจะต้องลู่มันไม่ปรุงไม่แต่งไปกับมัน เดนยาดอยู่กับความรู้สึกตัวความง่วงง่วงเนาะนอนก็ไม่เป็นไรไม่ต้องไปแก้มันล่ะเอาง่วงลงไปแล้วก็จะรู้ของเราไปเรื่อยๆหาวิธีรู้อืนอ่นไม่ได้เอาการสร้างใจว่าไปรู้ศึกในเวลามันง่วงมันเอาไม่ได้หาทางอืน่นอืย่าไปเอาผิดจะไปเอาถูก กับการกระทําของเรากับอาการต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจจะไปเอาผิดเอาทุกข์แล้วก็จะรูปของเราไปเรื่อยๆนั่นแหละรูปที่กายไม่ได้กับรูปที่เดินรูปที่เดินไม่ได้กับรูปอื่นหายใจบั่งปิดตามบ้างเออออกเอกไปทางใหม่กับไม่ควร น้ำล้างหน้า <c oughs> ทําอะไรไปโน่นดูโนนไม้บางทีมันความคิดหรืออารมณ์มันเข้าใ น, นออกไปนอกออกไปนอกก็พุ่งไปไกลเกินไปถึงกรุงเทพถึงเชียงใหม่ถึงเทียหนไปโน่นสิบปียี่สิบ ป, บปีมันยังไปท่องเที่ยวอยู่อมันออกไปนอกแล้วก็กลับมาจ้ามากำหนดมือกายเคลื่อนไหว ถ้ามันรู้อะไรมันเข้าไปในกันไปจนแน่นหน้าอกจนเครียดขมมองไปท่องฟ้าบ้างมองโดยยอดไม้ต้นไม้มองดูเป็นกลางวันมองดูเป็นอความชัดเจนในปัจจุบันอย่าทำอะไรให้คลุมเครือทำอะไร ม, มันชัดเจนให้มันรู้สึกนั่นแหละความรู้สึกละ เป็นเสียงที่จะต้องยืนหยัดให้ได้ลองรู้สึกไปืรู้มากมากรู้น้อยน้อยก็ไม่เป็นไรอ่าแต่อย่าให้มันหลงไปนานเกินไป <c oughs> ถ้าหลงเราก็รู้ไม่เป็นไรถ้าหลงเรหรือความคิดอย่างเนี้ยความคิดจะไม่เป็นไรหรอกไม่ผิดไม่ถูกหรอกอย่าไปเข้าไปอยู่ในความคิด เวลาใดที่มันหลงคิดไปก็รู้สึกซะถ้าไม่รู้มันก็จะไปไกลเกินไปความเพียรคือคือขยันรู้นี่แหละคือความเพียรโยตะโยจะวาคิตตังคีเวกุสิตโตหินิวิริโยเอกาหังคีวิตังเฉยโยอปโตพยพปยังเพืดด่อใดเม่ ควเกลียดข้านมีความเพียนต่ำในชีวิตที่ร้อยปีไม่ประเสริฐนั่งกับเราสวดมื่อขี้นี่อยู่ชีวิตเพียงวันเดียวก็ประเสริฐกว่าเพราะมีความเพียนมั่นคงคือมีความรู้สึกตัวเนี่ยนะเห็นอาการเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆทําให้แกมแจ้งให้งอ น, น, นแง่งก้อนแกลนฝนพวฝนลาการเขียนนั้นไว้ ให้รู้สึกนี่แล้วให้รู้สึกนี่แหละต่างตัวรู้ไปเรื่อยๆสนุกกับความรู้สึกมันทีสนุกไปกับความหลงเพราะมันเห็นมันหลงหัวเราเยอะความหลงบ้างหัวเราเยาะความเครียดบ้างโดยเฉพาะความรู้สึกตัวหนะ่อยไปไปสนุกกับอะไรก็ได้นะมันไม่เข้าไปสุขนไม่เข้าไปทุกข์หรอกสนุกดูมันสนุกเห็นมัน เห็นหลายครั้งหลายคราวอาจจะเป็นสติปัญญาเลยเห็นครั้งหนึ่งมาจจะหลอกได้แต่เห็นหลายหลายครั้งก็หลอกไม่ได้ผลที่สุดมันก็ได้หลักของการเฉลยในพอเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นกับกายกับใจเนี่ยจะพูดแบบความรู้สึกตัวมันก็บอกว่า มันมีแต่อาการอาการท่านั่นละ่ะเกิดขึ้นกับกายกับใจเนี่ยเป็นอาการของกายของใจการตอบอย่างอื่นมันมากเกินไปการตอบว่าเวทนาเป็นสุขเป็นทุกข์มัก็มากถ้า ต, ตอบว่าอาการเนี่ยก็มันก็จบแล้วแต่ความร้อ น, ค ว, น ค, วความหนาวความปรดความมัวยความ คิดวิตกกังวลสศร้หมองมก็เป็นอาการของกายของใจเท่านั้นละ่ะแล้วก็เห็นเอาเห็นเอาเห็นเอาตอนเห็นตัวเนี่ยมันชัดเจนแต่เป็นการอืทําบุญก็ทําได้ทันทีละบาปได้ทันทีถ้าเป็นการละบาปก็ละได้ทันทีถ้าเป็นการทําดีก็ทําได้ทันทีเราวาที่เห็นเนี่ย ว่าที่เห็นมันก็ละบาปก็ทําดีแหละถ้าความชั่อทําความดีแลถ้าทําความดีถ้าเห็นมันก็บริสุทธิ์มันไม่เข้าไปเป็นมันไม่เข้าไปเป็นมันก็บริสุทธิ์ไม่เปเื้อนกับสิ่งใดเห็นเป็นอาการของกายเห็นเป็นอาการของจิตใจนับไม่ท่วน ความง่วงเมาหอนอนก็เป็นอาการที่เกิดขึ้นกับกายกับใจแต่ดูไปดูมามันก็น้อยลงน้อยลงก็ดูไม่มากเตียงแต่จะงกไปดูท่านรองก็รู้แล้วก็อเห็นบ่อยๆนักกผู้ที่มีการศึกษาเทคโนโลยี สถาปนิกต่างๆเขาดูแบบแบบก่อสร้างเขาดูแป็บเขาก็อ่านได้ถลุงย่อยออกเป็นชิีนเป็นส่วนไปลแล้วแลก็เขาก็ชนานาญจนถึงกับว่าไม่ใช่เวลาก่อสร้างเท่านั้นวันเท่านี้วั น, วนถ้าแรงก่อสร้างจะหมดไปเท่านั้นได้กําไรเท่านี้แล้วก็ชนานาญเขาก็รู้ได้นั่นคุณหมอเรานี่แหละเขาจับ ท้องท่านหนุ่มเราก็รู้ว่าเป็นโลคใส้ติงอักเสบใส้สุดไส้ตันก็มั่นใจไปเผาวเองเอก็ดูปั๊บก็รู้ทันทีไปเผาวเองตัดเราเอ ง, เ, อ เ, องเรานั่งอยู่เฉยๆไม่เพืไม่มีความรู้มันก็ไม่รู้ใครไม่มีความรู้เป็นน้อยแพทย์เราก็ไม่รู้ เป็นนักวิทยาศาสตร์แล้วก็ไม่รูดเป็นครูก็ไม่รู้แต่เวลาใดที่มันเกิดอะไรขึ้นมาเขาก็รู้ปับ๊บออกกันเใช่ปีมือใช่สติปัญญาปไปเลยผู้มีสติก็เหมือนกันอะไรที่เกิดขึ้นกับกายกับใจเราเนี่ยดูออกแกมแจ้งไม่มีอะไรปิดบังอำพรางได้แล้วทันชื่อว่ากายชื่อว่าใจแล้วถ้ามีสตินะ ถ้าหลงเราดูไม่ออกแตมาอย่งไรก็ดูออกเฉลยได้ทั้งหมดพอมันเห็นมาแล้วเห็นมานานแล้วอันเก่าความโกรธก็อันเก่าความทุกข์ก็อันเก่าความร้อนความหนาวก็อันเก่าความคิดก็อันเก่าความมองเห็นนอนก็อันเก่ามันเห็นมามากแล้วเห็นมาแล้วสามสิบกว่าปีมันก็อันเก่าแล้วนะ มันไม่เป็นอื่นไปหรอกไม่เอะใจไม่ไม่ได้เอะใจถ้าจะตอบก็ว่าเออรู้แล้วเออเป็นเช่นนั่นเองถึงเรื่องเสียงก็เอาไว้ตรงนั้นละความไม่เที่ยงเขาเที่ยงอยู่ในความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์เขาวางอยู่ในความเป็นทุกข์ เขาไม่ใช่ตัวตนก็วางอยู่ในความไม่ใช่ตัวตนนั่นเราคือรอยบาปรอยแล้วาล ว, วางแล้วไม่คล้องไม่ติดเอาไว้ข้างหลังแล้วมันก็เราเดินแวก่าเราแวแก่าเราแวแก่าข้าวมันก็เราเดินผ่านป่าข้าวกำลังเป็นหลวง เราก็แหวกไหวเอาขึ้นข้างหลังไปเรื่อยเอาขึ้นข้างหลังไปเรื่อยอะไรอะไเอาไว้ข้างหลังผ่านไปเรื่อยลองดูเอาความว่วงไว้ข้างหลังเอาความชิดพุ่งซ่านไว้ข้างหลังอะไรก็ตามไว้ข้างหลังอย่าให้มันข้างหน้าถ้าข้างหน้าคือว่าทําไมจึงเป็นอย่างนี้ ม่น่าจะเป็นอย่างนี้เราทําได้เราทําทไม่ได้เนี่ยมันอยู่ข้างหน้าแต่เราเห็นเออเป็นเช่นนั้นเองอ๋อก็เป็นอย่างนั้นรู้แล้วพอรู้ลแล้วเออเป็นอย่างนั้นก็คืนหลังว่าไว้ข้างหลังแล้วแล้วก็ผ่านแล้วลักษณะผ่านอย่างเนี้เป็นเรื่อว่ามักมนเลยนยมักควิถีของชีวิตเรา ถ้าเป็นจราจรก็เป็นจราจรที่ไม่ติดจราจรชีวิตนะไม่ใช่จราจรในกรุงเทพจราจรในชีวิตของเราไม่ติดน่าจะเป็นอย่างนั้นทำไมจึงทำอย่างนี้นี่จะว่าติดแล้วดูแล้วจราจรไม่ติดชีวิตเราเฉลยได้ทั้งหมดสะดวกแต่เป็นทางของชีวิตก็เป็นฟรีเว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 มันก็เท่ากับเราลู่โลกลโลกกันควงศอกยาวานาคืบเนี่ยแต่เรารู่ตรงนี้คอยกระทบกระเทือนไปโลกภายนอกด้วยแล้วก็รักษาตัวเราดูแลตัวเราถ้าทุกคนมาตั้งต้นจากตรงนี้แล้ว ก็เกิดความสงบ่มเย็นไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนคนอื่นเสียงอื่นวัตถุอื่นนี่การเจริญสติเนี่ยมันเป็นโลกกรบานที่คุ่มครอง ที่ไม่มีภัยเราเรียกว่าอริยะชีวิตที่ไปจากค่าศึกไม่มีค่าศึกเ ร, เรียกว่าอริยะอริยเจา้าเป็นชีวิตที่ไม่มีค่าศึกไม่ได้ลบ ก, กับเชิงใดนี่จะเห็น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 คือดินว่าอากาศผู้คนป่าม้รกรสชิ้นเสียงร้อนหนาวหิวก็ะหายนี่เนี่ยมันเป็นโลกโลกที่อยู่อาศัยแต่แต่โลกคือกายของเราเนี่ยมหาวุตรุลูกไม่าดสีที่น้าไปลมมันเป็นลูกอาศัยมันกับพ่่งแพร่มันเวลามันก็มีผลกระทบต่อโลกกันนี่ ปฏิเสธการเห็นไม่ได้การเห็นนี่ครับรองว่าเห็นแจ้งประมาณอันเดียวเท่านั้นแต่ที่นี่เราปฏิเสธการเป็นเข้าไปเป็นได้เราไปพูดว่าเห็นเห็นไม่เข้าไปเป็นเนี่ยเป็นถ้จะเรียกว่าเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทันสมัยแล้วก็ไม่ล่าสมัยที่สูตรได้เป็นปัจจตังนี่ความคล่องตัวของชีวิตเราก็อยู่ตรงนี้แหละเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เห็นได้อย่างถูกต้องบางคนเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เห็นไม่เป็นเห็นเห็นความง่วงเห็นความง่วงออกมาเป็นสุขออกมาเป็นทุกข์ เห็นความโกรธเอามาเป็นสุขเอามาเป็นทุกข์เห็นอะไรก็ตามเอามาเป็นถ้าเห็นตัวเนี้ยกลายเป็นปัญญาเห็นความโกรธก็เป็นปัญญาเห็นความง่วงเมาหอนอนเป็นปัญญาเห็นความทุกข์ก็เป็นปัญญามันมีแต่ปัญญา แต่ถ้าเราไม่มีสติจะหลงนะมันจะเกิดความหลงความหลงเนี่ยมาง่ายมันไม่แนวร่วมมันไม่ลดนิยมเห็นลดนะเนี่ยโลกมันเต็มไปด้วยลดชาติคำ ว, ว่าโลกเลยพูดว่าลดซะลดชาติไม่ลดชาติหรือเกินตามันก็มีลดหมันก็มีลด เลียกายใจก็มีรดใจมันก็ด่วนเอาละเกินด่วนรับเอาเป็นรดสุกทุกข์แล้วก็ต่อไปให้อะไรเยอะแยะไปจนโสกปริเทวทุกข์พรมนตุปัสยญาติเกิดดับเกิดดับอาการเกิดดับทียิบเลยที่ไม่รู้ แต่ถ้าเรามารู้สึกเนี่ยรถมันก็ไม่มีเห็นแต่ไม่แต่เห็นเราความรู้สึกนะไม่มีรดไม่เข้าถึงร ด, ดโลกันโลกนี่ก็กกรู้เกี้ยงทะลุปุ่งความรู้สึกตัวไม่เข้าไปเป็นกับสิ่งใดเราจึงมาสร้างตัวนี้ไปขอทาไปนั่นละ วันแล้ววันเล่าเดินจงกลมสองเ่องวะ hmm. บางทีก็อะไรก็บา ง, บา ง, าง ว, าวันก็เป็นอย่างหนึ่งบางวันก็เป็นอย่างหนึ่งอย่าปฏิเสธบางทีเอาไปทําหาเมื่อวันยังดีกว่านี้วันนี้ทำไมไม่ดีก็อย่าไปคิดอย่างนั้นอย่าไปสมมุติปัญญัตว่าดีว่าไม่ดี นี่เอะอืมอืมก็ไปเลยอันนี่เป็นยังไงอันนี้ไม่ไหวหลวงพ่อหนู no. เครียดคิดอะไรมากเหลือเกินเครียดไม่ใช่ดอกนักกรรมฐ า, านเขาไม่พูดอย่างนั้นตอบไหมอืมอันนี้หนูเห็นมันเครียด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 อวันนี้หนูเห็นมันเครียดอืมอย่างนี่ใช่ไดละก็ออกมาเป็นคํำพูดจากความรู้สึกลึกๆจากสภาวธรรมถ้าว่าเป็นผู้เครียดนี่ยวันนี้หนูเครียดนี่ยเรียกว่าพบภูมิถ้าว่าวันนี้หนูเห็นมันเครียดเลยทะลุปรรมฐะสภาวธรรม ถ้านูเครเนี่ยเป็นสมุติบัญญัติเป็นดุนเป็นก้อนเป็นตัวเป็นตนถ้าเห็นมันเครียเนี่เป็นปรมาถะตะลุเห็นทุกข์เป็นปรมาถะเป็นผู้ทุกข์เป็นผู้สุขเป็นสมุตติบัญญัติเป็นผู้ง่วงเป็นสมุติบัญญัติถ้าเห็นมันง่วงอ่านเป็นปรมาถะ ภาวะที่เห็นภาวะที่เห็นความง่วงความง่วงเป็นนันหนึง่งการเห็นความง่วงเป็นหนึ่งเป็นผู้ง่วงเป็นนันนนนนหนึง่งตรงนี้ส <c oughs> ติต้องให้ชัดเจนแล้วก็หัดให้ได้หัดจุดนี่แหละ <c oughs> หลวงพ่ที่เจ้าบอกเราเห็นกายแล้วเห็นอีกชั่นต่อไปกายนี่จะว่ากาย ไม่ใช่สัตว์บุคลโตโตนราเขาโน่นทะลุปไปเลยถึงปรมัตัยเลยเห็นเวทนาโอ้ยอันนี้ปวดขาหลวงพ่ออ่าไม่ใช่อันนี้เหนื่อยหมดแรงเต็มที่ไม่ใช่เห็นเวทนาเวทนานี่ก็สักว่าเวทนาไม่ใช่สัตว์บุกลโตโตนรเขาโน่นทะลุทะลวงไปถึงปรมทราทัยสาพระธรรม ไม่นาทำห้เกิดปัญญาทะลุเห็นกายเห็นกิตความคิด่งสารติดไปย่อมอารมณ์เป็นกุศลอกุศลจนทะลุทะลวงไปโ น, น้นนี่เหตุให้เกิดทุกข์นี่ความดับทุกข์ดับได้แล้ว้นแล้วแล้วก็เราเห็นงู อันเห็นงูเฉยๆไม่พอการหนีออกไปหนีเป็นแล้วก็หนีพ้นด้วยเห็นความม่ง่งเราจึงเป็นทุกข์กับความมัง่งเห็นความคิดยังเป็นทุกข์กับความคิดยังไอ้งูมากัดได้เอามาเป็นสุขเอามาเป็นทุกข์ใช่ไม่ได้เห็นเลยตรงหนีเป็นออกเป็น ไปบอกว่าเป็นผู้เห็นอย่าเป็นผู้เป็นไปแล้วแล้วก็เมื่อไม่เป็นผู้เป็นก็พ้นแล้วพระพุทธเจ้าสอนเรื่องอริยสัจเนี่สี่ระดับเห็นนะเห็นแล้วนี้ออกนี้เลยพ้นได้เห็นนันหนึ่งนี้กําลังเห็นนี้ออกไปอันหนั่นออกไปแล้วอันนี้แล้วก็พ้นแล้วอันนี้พุนแล้ว พนจากงูกัดไม่ได้แล้วแล้วก็พ่นจริงกริงเป็นงูอยู่ใกล้ในแขียงตัวอย่างอนี้ไม่เป็นบางทีก็อยู่นั่นละ่ะชี้ขาดชี่กลัวอยู่นั่นละ่ะหนีไม่เป็นงูก็แผลพังพังอง น, น อ, อ, ย อ, ยอยู่นั่นเห็นตะล่องโอ้ยโอ้ยอยู่นั่นปัญญาน้อยน้อยไปไม่เป็นมือนกับ กินอนเห็นงูจงอางอยู่สวนผักเดนินเดินแบบคนไม่สเงเอนลุกเรี่ลุกลนคนไปไหนลุกเรี่ลุกลนงูจงอางก็ตื่นแล้วเขาตื่นก็ชู์คอขึ้นชูคอขึ้นท่วมหัวนะ่ะกินอนก็นั่งลงยกมือยกมือไหวงู ยกมือไหวงูไปไม่เพียนเลยขนาดนั่นนะไอยกมือนั่งลองยกมือไหวงูงูก็โชว์คอรูมกม็บพุหัลงกับปล่ยของมันไว้แอ ง, งูมันดูไล่ซะหน่อยมันวิ่งมากัดคอตายแล้วเราก็มากกนล่ะโอ้ยปวดขาโอ้ยร้อนโอ้ยหนาไม่ต้องโอ๊ย นี่เห็นแล้วอาการตอบได้แล้วนี่เป็นอาการของกายเป็นอาการของกิตนี่โลกเห็นแล้วก็ไปแล้วพ้นไหมเวลาบันทุกขพ่นไห ม, มนั่งอยู่กับความทุกข์สองวันสามวันมันรักมันโกรธพ้นไหมไปไหมไม่ไปอยู่กับมันเพราะมันไม่รสชาติความโกรธก็ไม่รสชาตินะคนโกรธก็พอใจนะ เขาพอใจพอใจที่จะโกรธไม่ใครมาห้ามเขาก็ไม่ไม่หนีหรอกไม่ได้ไม่ได้ไ ม, ไ, ดไม่โกรธไม่ได้ทีนี้ก็ว่าไม่โกรธก็เหมือนหมาแล้วเขาว่าบัานนี้ไม่โกรธก็เหมือนหมาแล้วเขาพอใจคนโกรธพอใจมากมันก็เห็นกงจักรเป็นดอกโบกเอากองจักรมาผลหัวตัวเองมองเลือดไหลออกก็ยังเอาผลเลยวะเป็นทุกข์เป็นสุขอย่างนั้ ยกตดนี้รู้นะภาวะที่ดูเนี่ยโอ้ยสะดวกที่สุดเลยก่อนที่จะดูต้องสร้างภาวะที่ดูนะมีความรู้สึกตัวนี่ยหละกำลังตัวนี้ทำให้มันมากมากกำลังภาวะความรู้สึกตัวนี่นะมันยึงจก็มีกำลังเข้าถึงภาวะที่ดูดูเราก็เห็นแล้วบันไปแล้วบัพนพ้นไย ปฏิเสธไม่ได้เอ า, อาสถานการณ์หรือ <c oughs> <c oughs> ปรากฏการณ์ต่างๆเราไม่ได้หนีมันดอกชนหน้ามันเลยดับเครื่องชนไปเลยอะไรก็ได้แต่สังขารการปรุงแต่งนี่เป็นผู้สุขเป็นผู้ทุกข์นี่หนีได้จะดวกกว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะตรงนี้แหละ เราก็ลงสนามตรงนี้แหละลบมันอยู่ตรงนี้แหละเอาง่วงแล้วง่วงอีกบางทีก็เบื่อบางทีก็เครียดเอ้าเอาลงไปแล้วก็ลู้ลงไปมีเท่าไหร่แล้วรู้เท่านั้นสุขเท่าไหร่แล้วรู้เท่านั้นทุกเท่าใดแล้วรู้เท่านั้นปวดเมื่อยเท่าไหร่แล้วรู้เท่านั้นง่วงเท่าไหรแล้วรู้เท่านั้นไม่เนื่หน้าแต่เราก็ดูมันอยู่นี่ยม่เข้าไปเป็นกับมันไม่มีแนวร่วมกับมัน มันเขาเล่นกลถ้าเรารู้ทันเราไม่มีแนวร่วมจืดไปหมดเลยละ่ะถ้ารู้ไม่ทันเราก็นอนแนวร่วมโอ้เพราะทำไมเขาจุงควายเข้าไหาได้จุดไปบอกไอ้ตีไปเอาแป้งมาจุดกระดาษยัดใส่กระป๋องเปิดด อ, อกมาเมกับของแป้งเต็มไปหมดโอ้โหไม่รู้โอถ้าเราร่้โอ้ไอ้นี่มันทํากระป๋องสองสามชั้นนะชั้นที่หนึ่งมันเป็นแป้งชั้นที่สองมัน อ่าจุดกระดาษลงไปพอเปิดอีกทีหลังเป็นควันออมาโอน้โลดทันไม่มีรสชาติร่วมกับเขาเลยเ้าคนไม่รู้ก็ไม่ีรสชาตินนัแล้วเป็นสุขเป็นทุกข์ความสุขความทุกข์เป็นลดนะ่ะลดของโลกนะ น, นะอืเราต้องไม่หลงรู้สึกตัวนั่นแล้วนะพอๆละกรับหาความแบบ